กิจวัตรประจำวันของท่านพระครูคือตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่แล้วปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปจนถึงหกโมงเจ้าจากนั้นจึงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ให้ชาวบ้านร้านถินได้มีโอกาสสร้างคุณความดีด้วยการบริจาคทานเพื่อขจัดความตรหนีเหนียวแน่นออกไปจากจิตใจท่านพระครูถือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญเป็นลำดับแรก พระเนนทุกรูปที่อาศัยอยู่ในวัดป่ามะม่วงแห่งนี้จะต้องปฏิบัติทุกวันเพื่อขัดเกลากิเลสเครื่องเศร้าหมองในตัวให้ลดน้อยลงและต้องนําไปสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามเป็นอันได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสท่านพระครูย้ําเตือนพระลูกวัดเสมอว่าหน้าที่ของบรรพชิต ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้มีสามข้อคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมผู้ใดเกียคร้านละเลยต่อหน้าที่ถือว่าบวชแล้วเสียเข้าสุขและได้ชื่อว่ายังชีพอยู่ด้วยการเบียดเบียนชาวบ้านพวกญาติโยมเขาไม่เลื่อมใสศรัทธาพระประเภทนี้ถ้าอย่างนั้นพวกพระที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ใบ้หวยรับปลุกเสกลงเลตยัน ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของพระใช่ไหมครับหลวงพ่อพระบวทใหม่รูปหนึ่งถามขึ้นฉันไม่อยากจะเรียกคนประเภทนั้นว่าพระเรียกพวกอาศัยพาเหลืองหากินดูจะเหมาะกว่าคนสมัยนี้มักหากินกันแปลกแปลกไม่ยักกลัวบาปกลัว ก, วกรรมเขาคงไม่เชื่อว่าบาปกรรมมีจริงกระมังครับแต่บางคนทั้งทั้งที่เชื่อก็ยังทำ ฉันไม่อยากจะพูดพระบางองค์เป็นถึงท่านเจ้าคุณแต่เบื้องหลังอย่าพูดดีกว่าฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้มันกระทบกระเทือนสถาบันสงฆ์เพราะพระทิฏปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอีกมากท่านพระครูพูดอย่างโปร่งตกลุงพ่อครับผมเคยฟังมาว่าท่านเจ้าคุณบางองค์ค้ายาเสพติดจริงหรือเปล่าครับ ภิกษุหนุ่มถามอีกอย่าคิดอะไรมากตั้งหน้าตั้งตาเจาเริญกรรมฐ า, านไปดีกว่าบางครั้งการรู้อะไรมากๆมันก็เป็นภัยกับตัวเราเองคิดซืเอว่าชั่วช่างชีดีช่างสงพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่ว ข้อนี้เป็นสัจธรรมครับผมสบายใจมากที่ได้มาบวชอยู่วัดนี้ผู้บวชใหม่พูดอย่างปราบปลืม้มที่นี่แม่รับคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ไม่ทําหน้าที่ของพระใครมาอยู่วัดนี้แล้วไม่เอากรรมฐานก่อนนิมนต์ไปอยู่วัดอื่นฉันต้องการคุณภาพไม่ใช่ปริมาณขึ้นชื่อว่าสง์ต้องเป็นสุปฏิปันโนที่แท้จริง จึงจะได้ชื่อว่าเป็นศักยะบุตรอย่างสมบูรณ์แบบท่านรครูพูดเสียงหนักแน่นชื่อเสียงด้านความเคร่งครัดในการปฏิบัติของพระวัดนี้ขจรขาจายไปทั่วทุกสารทิศทั้งบรรพชิตและคารวะผู้มุ่งความสงบทางจิตพากันมุ่งหน้ามายังวัดแห่งนี้ซึ่งตั้งเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานและมีชื่อเสียงโด่งดังมานาน กุฏิกรรมฐานถูกสร้างขึ้นหลังแล้วหลังเล่าจนเต็มบริเวณวัดกระนั้นก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของบรรดาผู้สแสวงหาโมกขธรรมผู้ไม่ถือว่าเรื่องที่พักอาศัยเป็นอุปสรรคต่ อ, อการสร้างบุญบารมีด้วยเหตุนี้จึงมักปรากฏอยู่เสมอที่พวกเขาพากันไป ก, ากลางกรดอยู่นอกวัดโดยไม่อาอรต่อความร้อนหนาวของอากาศ ขอเพียงให้จิตสงบเย็นเป็นพอเช้าวันหนึ่งในตอนต้นเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516หลังจากพี่ท่านพระครูปฏิบัติกรรมฐานเสร็จก็เตรียมตัวออกบินทบาตโปรดสัตว์โดยมีลูกศิษย์ฮิวเป็นโตเดินตามหลังเมื่อท่านอุ้มบาทเดินออกมาถึงประตูเข้าวัดก็พบชายจักันผู้หนึ่งอายุราวๆ30ปี สะพายกระเป๋าเสื้อผ้าใบย่อมไว้บนบ่าข้างขวาเดินเข้ามานั่งยองๆ ย, ยกมือไหว้และถามท่านด้วยอาการตื่นเต้นว่าท่านท่านพระครูเจริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงใช่หรือเปล่าครับเสียงที่พูดฟังแปลงหูแสดงว่าไม่ใช่คนถิ่นนี้ฉันนี่แหละเธอคงไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมท่านถามถ้าทางเขาดีใจ และประหลาดใจรักคนกันรีบตอบท่านว่าครับผมมาจากการาสินมีธุระอะไรกับฉันรึมีครับสำคัญมากแต่ผมคือมันเป็นความลับครับเขาพูดอบึอบอักอึกอักรั้นจะบอกไปตามตรงว่าไม่อยากให้ลูกศิษย์ของท่านรู้ก็เกรงว่าเจ้าหมอนั่นจะตั้งตัวเป็นศัตรูเอาละฉันเข้าใจ ว่าแต่ธุระของเธอเถอะด่วนมากหรือเปล่าถ้าไม่รีบร้อนรอฉันกลับจากบินธบาศก่อนจะได้ไหมจะเอาวาดวัดป่ามาม่วงหาทางออกให้ได้ครับได้ผมจะรอท่านอยู่ตรงนี้ชายต่างถิ่นรีบตอบท่านพระครูตั้งสติกำหนดเห็นหนอแล้วเพ่งสายตาไปที่หน้าผากของเขาก็ได้รู้ว่าบุคคลผู้นี้มิได้มาร้าย จึงชี้มือไปที่กุฏิของท่านแล้วพูดว่าไปนั่งรอที่กุฏิของฉันดีกว่านั่นหลังนั้นชายหนุ่มยกมือไหว้อีกครั้งแล้วก็เดินไปรอที่กุฏิตามคำสั่งของท่านเขาดีใจและแปลกใจมากที่เหตุการณ์ช่างตรงกับความฝันพระรูปนั้นมาปรากฏให้เขาเห็นในฝันติดๆกันถึงสามคืน จนเขาจำท่านได้ติดตาช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเ้าปลดกระเป๋าออกจากบ่าวางมันลงที่พื้นแล้วก็เดินสำรวจไปรอบๆวัดไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เขาเห็นในฝันเสียงประหลาดสั่งให้เขามาแก้กรรมที่วัดแห่งนี้บอกชื่อวัดที่ตั้งพร้อมทั้งชื่อสมภารเสร็จสับเขาสู้อุตสาห์เดินทาง ด้านด้นมาเพื่อพิสูจน์แล้วก็ได้พบแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้เท่านั้นว่าแก้กรรมเป็นอย่างไรแต่ก็แปลกที่เสียงนั้นช่างไม่เหมือนกับเสียงของท่านพระครูเลยสักนิดมันกล้องกังวานและดูมีอำนาจลึ ก, กลับอย่างไรชอบคนจะเป็นเสียงใครกันหนอคงจะต้องถามท่านพระครูดูท่านคงจะรู้เขาแน่ใจว่าท่านต้องรู้ เกือบแปดโมงท่านพระครูและลูกศิษย์จึงกลับมาท่านวางบาทไว้บนอัศนะแล้วจึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ําลูกศิษย์จัดเตรียมสําหรับไว้พร้อมแล้วจึงถอยออกมานั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆท่านพระครูตั้งสติพิจารณาอาหารแล้วก็ลงมือฉันพร้อมทั้งทํากรรมฐานเริ่มตั้งแต่เห็นหนอตักยกมาอ้าใส่เขี้ยวกลืน ทุกอิริยาบถถูกกำกับด้วยหนอข้าวแต่ละคำจึงถูกท่านฉันอย่างมีสติฉันเสร็จลูกศิษย์ยกสำรับลงมาวางที่พื้นเพื่อจะกินอาหารที่เหลือและเก็บไว้กินมื้อกลางวันกับมื้อเย็นส่วนท่านพระครูท่านฉันมื้อเดียวบางวันงานยุ่งมากก็ไม่ฉันไม่จำวัดแต่ท่านก็ไม่มีอาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้า เพราะอยู่ด้วยอำนาจของสมาธิที่คนธรมธรมดาธรรมดาไม่อาจทำเช่นนั้นได้อา้าวกินข้าวกินปลาซิก่อนมีเรื่องอะไรค่อยว่ากันทีหลังท่านบอกชายแปลกหน้าลูกศิษย์วัดตักข้าวใส่จานสองจานแล้วก็เรียกเข้ามาร่วมวงท่านพระครูลุกออกไปแปลงฟันบ้วนปากในห้องน้ำรับประทานอาหารเสร็จชายหนุ่มช่วยลูกศิษย์วัดล้างจาน เสร็จแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระครูเห็นท่านนั่งขัดสมาธิก็นั่งท่านั้นบ้างลูกศิษย์วัดต้องมากระซิบว่าให้นั่งพับเพียบเธอชื่ออะไรมาที่นี่ได้อย่างไรท่านพระครูถามบัวเหียวครับผมเดินมาชายหนุ่มผู้มีนามว่าบัวเหียวตอบเดินมาจากไหนคงไม่ใช่จากกาลสินนะครับ ผมเดินมาจากกาลสินกว่าจะถึงที่นี่กินเวลาสิบห้าวันพอดีเขาตอบทำไมถึงไม่ขึ้นรถมาละ่ะรถโดยสารมีออกเยอะแยะในฝันเขาบอกให้เดินมาครับ อ, อ่อเชื่อฝันท่านพระครูยิ้มอย่างใจดีบางครั้งคนที่มาหาท่านก็มีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ท่านฟังเสมอๆ เ, เอชื่อแปลกดีนะ ฟังเหมือนชื่อยวนเป็นยวนหรือเปล่าท่านวกกลับมาถามเรื่องชื่อผมเป็นไทยครับนายบูเยียวรีบตอบเขากลัวท่านพระครูจะไม่ยอมให้เขาบวชถ้ารู้ว่าเขาเป็นยวนแล้วไปยังไงมายังไงจึงได้มาที่นี่เรื่องมันแปลกประหลาดมากจชีวยวครับท่านพระครูเรียกฉันว่าหลวงพ่อเหมือนที่คนอื่นเขาเรียกก็แล้วกัน ครับหลวงพ่อผมจะเล่าให้หลวงพ่อฟังตั้งแต่ต้นเลยนะครับชายหนุ่มนิ่งไปอึดใจหนึง่งเหมือนจะทบทวนความทรงจำและจึงเริ่มต้นเล่าผมเกิดที่จังหวัดกาลสินพ่อกับแม่ทำงานอยู่โรงฆ่าสัตว์พ่อมีหน้าที่ฆ่าวัวฆ่าควายซึ่งวันหนึ่งหนึ่งจะฆ่าหลายตัวส่วนแม่ก็ช่วยแล่เนื้อหนังกระดูก ตลอดจนพวกเครื่องในออกจากกันเพื่อเตรียมส่งขายมีร้านค้า ย, ย่อยมารับเอาไปขายราวราวตีสีผมก็เกิดและโตมาในโรงค่าสัตว์ได้เห็นพ่อกับแม่ทำงานทุกวันเท่าแก่เขาให้พวกเรากินอยู่ในนั้นสิบเมื่อผมโตพ่อก็ พ, กพาไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลพอจบปถมสี่ก็ออกมาช่วยพ่อแม่ทำงาน แดกแรกก็ช่วยแม่แล่เนื้อพรอโตอายุสิบสี่สิบห้าก็ช่วยพ่อข้าวัวข้าควายปีต่อมาพ่อตายเท่าแก่เลยให้ผมทำงานแทนพ่อพ่อเธอเป็นอะไรตายท่านพระครูถามขึ้นนายบัวเฮียวนิ่งไปพักใหญ่ๆเมื่อถูกถามเรื่องที่ทำให้สะเทือนใจในที่สุดจึงเล่าให้ท่านฟังว่า พ่อถูกแม่แทงตายครับพ่อผมแกชอบกินเหล้าพอเมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับแม่วันที่แกจะตายนั้นแกเมามากถึงกับลงไม้ลงมือกับแม่แม่สู้ไม่ไหวเลยคว้ามีดที่ใช้แทงคอสัตว์นั้นแทงพ่อถึงตอนนี้เขาหยุดเหล้าภาพเหตุการ์สยดสยองในครั้งนั้นผุดขึ้นในความทรงจามันแจ่มแจ้าชัดเจน เหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นทั้งที่วันเวลาล่วงเลยมาถึงสิบปีแล้วแม่เธอก็ต้องติดคุกนะสิครับแม่ถูกจับ ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาสารตัดสินให้จำคุก20ปีแต่ลดให้ครึ่งหนึ่งเพราะแม่รับสา ร, รภาพพอปี2506ก็ได้รับการลดโทษอีกครึ่งหนึ่งเนื่องในโอกาสที่ในหลวงอายุสามรอบเป็นคนไทยต้องพูดราชาศัพท์ได้เขาเรียกว่าทรงเจเริญพระชนมายุครบ 36, สามสิบหกพันษา ทันครับครูขัดขึ้นนายบวยเหี่ยวหน้าซีรีบแก้ตัวเป็นพลวันผมจบแค่ป .4 พูดไม่เป็นหรอกแต่ผมก็เป็นคนไทยเอาละเอาละไหนเล่าต่อไปสิครับแม่ติดคุกอยู่ห้าปีพอออกจากคุกก็มาทำงานอยู่ที่เก่าผมก็อยู่กับแม่มาเรื่อยๆกระทั่งผมอายุได้ยี่สิบห้าปี ก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับผมหลวงพ่ออาจจะไม่เชื่อก็ได้เขาหยุดเล่าและก็มองหน้าท่านเหมือนจะอย่างดูท่าทีของอีกฝ่ายเล่าไปเธอเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วฉันจะบอกทีหลังท่านพระครูกล่าวเสียงเรียบชายหนุ่มจึงเล่าต่อไปว่าคือเมื่อปีที่แล้วผมฝันประหลาดติดติดกันถึงสามคืน ที่ฝันผมกาลังเคลมเคลิ ม, ลมจะว่าหลับก็ไม่ใช่ตื่นอยู่ก็ไม่เชิงในฝันผมเห็นแสงสว่างวาบขึ้นแล้วเห็นหลวงพ่อเห็นวัดภาพที่เห็นในฝันชัดเจนมากจากนั้นก็มีเสียงกล้องกังวานดังขึ้นไม่ทราบว่าเป็นเสียงใครแต่คงไม่ใช่เสียงหลวงพ่อมันเหมือนลอยมาจากอากาศเสียงนั้นบอกว่าบัวเฮียว ภาพที่เห็นคือวัดป่ามะม่วงพระรูปนั้นชื่อพระครูเจริญเป็นเจ้าอาวาสเจ้าจงไปหาท่านแล้วให้ท่านบวชให้วัดนี้อยู่ทางทิศตะวันตกให้เจ้าเดินทางไปสิบห้าวันก็จะถึงวัดเจ้าจะสามารถแก้กรรมได้ที่วัดนี้แล้วภาพและเสียงก็หายไปผมสะดุ้งตื่นก็ได้เวลาทำงานพอดีตอนแรก ผมไม่ได้ใส่ใจคิดว่ากินมากก็ฝันมากพอคืนที่สองที่สามก็ฝันแบบเดียวกันนี้อีกเล่าให้แม่ฟังแกก็บอกให้ลองทำตามฝันดูผมจึงไปขอลางานเท่าแกแกไม่ให้ลาเพราะไม่มีคนแทนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำงานมาอีกปีนึงแล้วก็ได้โอกาสเมื่อแม่มีผัวใหม่ คือผัวใหม่แม่สมัครมาทำงานแทนผมเท่าแก่เลยยอมให้ลาออกและเดินทางมาที่นี่แหละครับแล้วตอนนั้นแม่ของเธออายุเท่าไรสี่สิบกว่าครับอ๋อสี่สิบกว่ายังแต่งงานใหม่ได้ท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มครับพ่อใหม่ผมอายุแก่กว่าผมสักสองสามปีเห็นจะได้เรียกว่าได้ผัวเด็กคราวลูกนั้นเถิด ครับแต่เขาเป็นคนดีขยันขันแข็งแล้วก็ไม่กินเหล้านายบัวเฮียวพูดราวกับว่าความดีของพ่อเลี้ยงจะทำให้ความผิดของแม่ลดน้อยลงเพราะการแต่งงานกับเด็กคลาวลูกคลาวหลานถือเป็นเรื่องผิดในสายตาของคนทัท่วไปถึงจะมีบางคนว่าไม่ผิดแต่ยังน้อยมันก็ผิดปกติท่านพักครูเชื่อตามที่ชายหนุ่มเล่ามาทุกประการ แต่เพื่อความแน่ใจจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบคิดดังนั้นท่านจึงตั้งสติ ก, กำหนดเห็นหนออีกครั้งแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเล่ามาเป็นความจริงเกือบทั้งหมดยกเป็นเรื่องเดียวคือพ่อหนุ่มผู้นี้เป็นคนยวนไม่ใช่คนไทยท่านเข้าใจถึงสาเหตุที่เขาต้องพูดปดและคนที่พูดปดได้ก็เพราะจิตยังหยาบ ต่อเมื่อปฏิบัติกรรมฐานจนจิตละเอียดประนีตขึ้นก็จะเกิดหิริโอตตะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเมื่อนั้นเขาก็จะเลิกทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่ว ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเสียงนั้นถึงบอกให้ผมมาแก้กรรมที่วัดนี้ผมมีกรรมอะไรที่ต้องแก้ในเมื่อผมไม่เคยทำเวรทำกรรมกับใครหนุ่มวัยเกือบสามสิบเอ่ยขึ้นเขายังไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษการเติบโตมาในโรงฆ่าสัตว์ได้เห็นได้ทำปนานติบาตจนชินทำให้จิตใจของเขาหยาบกระด้างเกินกว่าคนปกติลองนึก ด, ดูให้ดีๆสิ ถ้าเหตุไม่มีแล้วผลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านพระครูลองทดสอบคุณสมบัติทางใจของเขานายบัวเหียยนั่งนึกอยู่หลายนาทีแต่ก็นึกไม่ออกจึงปฏิเสธเสียงหนักแน่นไม่เคยจริงๆครับตั้งแต่จาความได้ผมไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยลักขโมยไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนไม่จริงมั้ง ท่านพระครูขัดขึ้นจริงครับหลวงพ่อผมสาบานได้อย่าเลยฉันไม่ชอบการสะบดสะบานเอาเธอถ้ายังนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่เธอไม่สงสัยบ้างเลยหรือว่าในเมื่อเธอไม่เคยทําบาปแล้วทําไมจึงเกิดนิมิตว่าจะต้องมาแก้กรรมที่นี่สิ่งที่เธอเล่ามานั้นไม่ใช่ความฝันแน่นอนเขาเรียกว่านิมิต คนที่จะเห็นนิมิตเช่นนี้ได้จะต้องเป็นคนโชคดีเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ไม่เกิดกับใครง่ายๆเหมือนคนที่ตายไปตกนรกแล้วกลับฟื้นขึ้นมาเล่าให้คนอื่นฟังนั้นเป็นคนโชคดีมากทำไมหลวงพ่อถึงคิดว่าคนที่ไปตกนรกเป็นคนโชคดีแล้วครับชายหนุ่มถามอย่างสงสัยไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะเรียกว่าอะไร ก็คนประเภทนี้มีสักกี่คนกันล่ะที่โชคดีเพราะเขาได้กลับมาแก้ตัวอีกครั้งฉันเห็นมานักต่อนักแล้วพวกคนที่ว่าไม่เชื่อนรกพอฟื้นขึ้นมาก็เห็นเรียบทาบุญสร้างคุณความดีกันทุกรายเพราะได้ไปเห็นของจริงมาแล้วพอเขาทำดีเมื่อตายลงอีกครั้งก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิท่านพระครูอธิบาย อบายภูมิแปลว่านรกหรือครับคนฟังเริ่มสนใจด้วยอละอองของบุญเก่ายังพอมีเชื้อเหลือหลงอยู่บ้างอบายภูมิหมายถึงภูมิที่ไม่เจริญได้แก่นรกเปรตอสูรกายและเดรัจฉานคนที่ทำความชั่วเมื่อตายลงไปก็จะไปเกิดในอบายภูมินี้ทำอะไรบ้างครับจึงจะเรียกว่าทำชั่วเขาถามอีก กอละเมิดศีลห้านี่แหละรู้จักศีลห้าไหมละ่ะพ่อแม่เคยพาไปทาบุญที่วัดบ้างหรือเปล่าท่านพระครูถามทั้งที่รู้คำตอบดีเห็นหนาททำให้ท่านรู้กฎแห่งกรรมของบุรุษผู้นี้อย่างทะลุโปร่ปรงไม่เคยครับพ่อกับแม่ไม่เคยเข้าวัดไปทาบุญแต่ถ้าเข้าไปดูหนังดูเลกเกนในวัดแล้วก็บ่อยตอบอย่างพาซื่อ ถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่รู้นะสีว่าการกระทาที่ละเมิดศีลห้ามีอะไรบ้างอยากรู้ไหยละ่ะอยากครับหลวงพ่อช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีนะการกระทาที่ละเมิดศีลก็ได้แก่การฆ่าสัตว์การลักขโมยการเป็นชู้กับลูกเมียคนอื่นการพูดปดและการดื่มจุราเมลไร ท่านพระครูอธิบายเพราะถือว่าการสั่งสอนธรรมเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงได้ฟังถ้อยคำของเจ้าอาวาสนายบัวเฮียวรู้สึกสะท้านเสะเทือนในหัวอก เขาละเมิดศีลไปสองข้อแล้วคือฆ่าสัตว์กับพูดปดส่วนอีกสามข้อยังไม่เคยทำโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนั้นเขาจะไม่ล่วงละเมิดอย่างเด็ดขาดก็ไม่ใช่เพราะดื่มสุราเมลรายหรอกหรือพ่อจึงต้องจบชีวิตลงอย่างอเนกอานาถหลวงพ่อครับฆ่าสัตว์บาปด้วยเหรอครับเขากังขาแน่นอนถ้าอย่างนั้นผมก็คงบาปมากเลย เพราะข้าวัวข้าควายทุกวันยกเว้นวันพระซึ่งทางราชการห้ามผมคิดว่าข้าคนถึงจะบาปชายหนุ่มเพิ่งเข้าใจสิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูได้หล่อห้อมให้เขาเป็นผู้มีจิตใจหยาบกระด้างแต่โดยเนื้อแท้แล้วเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาการุณาและด้วยเหตุนี้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงบังเกิดขึ้น เมื่อกุศลผลบุญแต่ปางก่อนโดนใจให้มาพบกัลยาณมิตรที่นี้เธอคงรู้แล้วสินะว่าทำไมถึงต้องแก้กรรมท่านพระครูถามเขาครับนายบัวเหี่ยวตอบเขาก้มหน้านิ่งด้วยความรู้สึกละอายใจที่โกหกท่านเรื่องเชื้อชาติของตนในที่สุดจึงตัดสินใจถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับ คนที่ไม่ใช่คนไทยจะบวชวัดนี้ได้ไหมครับทําไมจะไม่ได้เล่าที่นี่ไม่จํากัดเชื้อชาติถ้ามีจิตศรัทธามาขอบวชแล้วก็มีคุณสมบัติครบก็บวชได้ทั้งนั้นท่านพระครูตอบแล้วคุณสมบัติที่ว่ามีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็ต้องเป็นคนมีอาการครบสาสิบสองไม่พิกลพิการหรือบ้าใบาบอดหนวล แล้วก็ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือถ้ามีเมียก็ต้องให้เมียอนุญาตถ้าเมียไม่มีแล้วพ่อตายจะบวชได้ไหมครับก็แม่อนุญาตหรือเปล่าล่ะอนุญาตครับถ้าเช่นนั้นก็บวชได้ไม่มีปัญหาถามทำไมหรือท่านแกล้งถามไปอย่างนั้นเองความจริงท่านรู้วาระจิตของชายที่นั่งตรงหน้าหมดเส้นแล้ว หลวงพ่อครับผมต้องขอโทษที่โกหกหลวงพ่อหากได้รับการศึกษาอบรมมาดีกว่านี้นายบัวเหียวคงจะพูดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับกระผมต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้พูดความจริงกับหลวงพ่อขอโทษเรื่องอะไรหรือเรื่องที่ผมโกหกว่าเป็นคนไทยนะครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนไทยพ่อแม่ผมเป็นยวน แต่ผมเกิดเมืองไทยจึงได้สัญชาติไทยแต่เชื้อชาติยวนและทำไมต้องพูดปดด้วยละ่ะแม้ท่านพระครูจะล่วงรู้เหตุผลกลไนของเขาเป็นอย่างดีหากท่านก็จำต้องถามเพื่อให้เขาได้พูดออกมาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาได้ขอขมาในความผิดนั้นแล้วก็ถ้าพูดความจริงผมกลัวหลวงพ่อ จะไม่ยอมรับบวชให้ผมครับเขาตอบอ้าวแล้วกันนี่ฉันไป ร, รับปากรับคำว่าจะบวชให้เธอตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านตั้งใจจะล้อเล่นแต่นายัวเหียวเข้าใจว่าท่านพูดจริงใจที่กำลังฟูฟ่องนั้นกลับฟุบแฟบลงเสียทันใด บวยเหยวินั่งประเพียบมานานจนรู้สึกเมื่อยจึงเปลี่ยนเป็นนั่งชันข่ารู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงที่ท่านพระครูปฏิเสธที่จะบวชให้เขามองท่านตาละห้อยคิดหาถ้อยคําที่จะพูดอ้อนวอนท่านหาก็คิดไม่ออกจึงไม่มีคําพูดใดๆเล็กลอดออกมาจากริมฝีปากค่อนข้างหนาคู่นั้นเห็นท่าทางผิดหวังของเขาท่านพระครูก็ให้นึกสงสาร จึงพูดขึ้นว่าฉันพูดเล่นหรอกนะเอาเธอในเมื่ออยากบวชก็จะบวชให้เธออ่านหนังสือออกไม่ใช่หรือจบปถมสีนี่นะใจที่พูดแฟบกับฟูฟ่องขึ้นอีกครั้งจึงตอบท่านว่าครับพ่ออ่านออกเขียนได้ดีแล้วต้องหัดท่องคำบาลีที่เรียกกันว่าขานานาาให้คล่อง ท่องให้ได้เมื่อไรก็บวชให้เหมื่อนั้นใช้เวลาสักกี่วันครับหลวงพอ่อกว่าจะท่องได้ถามอย่างปีติก็ต้องแล้วแต่เธอถ้าความจำดีก็ได้เร็วไม่เกินสามวันเจ็ดวันก็ได้แต่ถ้าความจำไม่ดีก็อาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนเอาละเดี๋ยวจะหาพระให้มาเป็นผี่เลี้ยงคอยดูแลบอกกล่าวฉันไม่ค่อยมีเวลา ไหนจะต้องคอยรับแขกที่มาเข้ากรรมฐานบางวันเขาก่อนิมนต์ไปบรรยายธรรมตามที่ต่างๆครั้นจะไม่รับนิมนต์เขาก็จะติชินนิมทาเอาได้ว่าไม่ทำหน้าที่พระประโยกหลังท่านบนเกลไกลพระที่หลวงพ่อว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่วัดนี้แหละสมชายมานี่หน่อยสิท่านเรียกลูกศิษย์วัดซึ่งกําลังทำความสะอาดกุฏิ อยู่ชั้นบนเด็กหนุ่มครานเข้ามาหาท่านแล้วจึงถามหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมหรอครับช่วยไปดูซิว่ามาหาบุญอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่บอกให้มาพบฉันหน่อยมีธุระจะพูดด้วยเด็กหนุ่มครานออกไปจนถึงประตูแล้วก็ลุกขึ้นเดินสักครู่ก็กลับมาพร้อมพระรูปหนึ่งอายุประมาณสี่สิบปี เมื่อมาถึงพระภิกษุนั้นนั่งลงกราบเบญจางคปดิษฐ์แล้วจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรอครับมีเสดท่านมหานี่เขาจะมาขอบวชจะให้ท่านมหาช่วยสอนเรื่องการเตรียมตัวบวชรู้จักท่านมหาใช่สิบวเฮียวนายบวเฮียวยกมือไหว้แบบเดียวกับที่ไหว้ท่านพระครู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 แล้วก็ให้แยกอีกสองวันพระก็จะออกพรรษาแล้วนี่นะตนอึดอัดไปก่อนหนะ้าัวเวยวนะไม่เป็นไรครับผมต้องขอบพระคุณหลวงพ่อและท่านมหาที่ช่วยเหลือผมมากคำพูดนั้นไม่ไพเราะนะักแต่ทว่าออกมาจากใจจริงเอาละเป็นอันว่าเสร็จธุระแล้วท่านมหาพาไปที่กุฏิเลยมีอะไรขัดข้อง ก็มาบอกฉันได้ขอให้เชื่อฟังท่านมาหาข้นะบัวเหียวนะท่านหันหลังไปสั่งนายบัวเหวียวซึ่งชายหนุ่มก็รับคำแข่งขันพระมหาบุญกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงบอกให้นายบัวเหียวกราบบ้างหนุ่มยวนทําตามอย่างว่าง่ายแม้ท่าทางจะดูแก้แก่กังกังด้วยไม่เคยทํามาก่อน แต่วันนั้นเป็นต้นมาหากผู้ใดเดินผ่านกุฏิของพระมหาบุญก็จะได้ยินเสียงเกษาโลมานักขาทันตาตัดโจตัดโจทันตานักขาโลมาเกษาหรือไม่ก็เป็นอุกาสะวันทามิพันเตสัพพังอ ป, ประราทังคามัทธะเมพันเตดังออกมาจากกุฏิ บางครั้งก็เป็นเสียงสวยดยถาสัพพีบางวันก็เป็นเสียงสวดธรรมจักและแต่ว่าใครจะผ่านไปได้ยินตอนใดพระมหาบุญลงความเห็นว่าแม้นายบัวเฮียวจะดูเป็นคนเซ่อเซ่อซาซแต่ก็ว่านอนสอนง่ายและมีความจำเป็นเลิศช่วงเวลาเพียงสี่วันเขาก็สามารถท่องขานาคได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องแม่นยา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 กับพระมหาเปล่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์อีกยี่สิบห้ารูปเป็นพระอันดับทุกรูปล้วนเป็นพระวัดป่ามะม่วงทั้งสิน้น วันที่นายบวยเหียวบวชท่านพระครูงดออกบิณฑบาตโปรดสักหนึ่งวันเมื่อออกจากกรรมฐ า, านในตอนเช้าแล้วจึงจัดการให้ช่างตัดผมมากนผมให้นายบวยเหียวโดยท่านนั่งดูอยู่ใกล้ๆช่างตัดผมใช้กรรไกรตัดผมให้สั้นใช่ก่อนแล้วจึงใช้มีดโกนทันทีที่ใบมีดสัมผัสหนังศีรษะนายบวเหียวรู้สึกเสียววาบไปทั่วร่างกาย ลันก็ระลึกถึงบิดามารดาอยากให้บุคคลทั้งสองมาร่วมงานด้วยโดยเฉพาะบิดานั้นเขาคิดถึงมากไม่รู้ว่าป่านชนิจะไปเกิดณที่ใดแต่ก็คงไม่พ้นอบายภูมิเพราะท่านพระครู บ, บอกว่าคนที่ทำกรรมชั่วจะต้องไปเกิดที่นั่นคิดแล้วชายหนุ่มก็ร้องไห้แรกแรกน้ำตาไหลเฉยเยหนักเข้าก็ถึงกับสะอื้นหักหัก จนท่านพระครูสังเกตรู้ส่วนช่างตัดผมไม่พูดว่าไรคงทำหน้าที่ของตนต่อไปเธอร้องไห้ทำไมหรือบัวเฮียวว่าที่อุปชาถามผมคิดถึงพ่อกับแม่ครับตอบปนสะอื้นท่านพระครูเข้าใจความรู้สึกของเขาจึงพูดปลอบว่าคิดถึงทำไมก็แม่เธอเขามีความสุขไปแล้ว ไหนเธอบอกว่าพ่อเลี้ยงเขาเป็นคนดียังไงละ่ะครับแต่ผมอยากให้แม่มาร่วมงานในวันนี้อยากให้แม่มาเห็นชายผ้าเหลืองพูดพลางใช้มือปาดน้ําตายังไงยังไงเสียเขาก็ต้องได้เห็นแก่กรรมแล้วก็กลับไปเยี่ยมเขาก็ได้จะมานั่งเสีย อ, อกเสียใจทํำไมครับเขารับคําและหยุดร้องไห้แต่ยังสะอึกสะอื้น ท่านพระครูหยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้เขาเช็ดน้ำมูกและน้ำตาเงียบกันไปครู่หนึ่งนมวัยเกือบสามสิบก็เอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อครับแล้วพ่อผมไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้พูดแล้วก็ร้องไห้อีกท่านพระครูจึงพูดตักบทว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากทำใจให้สบายวันนี้เป็นวันมงคลของเธอนะ ขอให้ห่วงตัวเองช่วยตัวเองให้ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยคิดช่วยผู้อื่นผู้ที่จะกระโจนลงไปช่วยคนตกน้ำจะต้องว่ายน้ำเป็นเสียก่อนมิฉะนั้นก็จะพากันจมน้ำตายทั้งสองคนเรื่องพ่อของเธอนั้นหากเธอหมั่นทำกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาไปให้ก็อาจจะช่วยแก้ได้บ้างพูดแล้วก็หยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้เขาอีกครั้ง จริงเหรอครับหลวงพ่อถามพลางรับกระดาษไปเช็ดน้ำตาและน้ำมูกไม่ลืมที่จะประนมมือไหว้และกล่าวคำขอบคุณทุกครั้งก่อนรับของฉันจะโกหกเธอทำไมกันละ่ะนายบัวเฮียวเกรงท่านจะโกรธจึงพูดขึ้นว่าขอโทษครับถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดดีแล้วฉันขออนุโมทนาด้วย จำไว้เถอะว่าอะไรๆก็ไม่เหลือวิสัยของบุคคลผู้มีความเพียรไปได้เจ้าอาวาสพูดให้กำลังใจเจร็จจากโอนผมท่านพระครูจึงบอกให้ในายบัวเฮียวไปอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดหมดจดเพื่อเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทพิธีจะเริ่มในเวลาเก้นาิกาเกนาที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 เมื่อพระบวัวเหี่ยงกล่าวคำขอสมาทานกรรมฐานแล้วท่านพระครูจึงลงมือสอนด้วยตนเองเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติมามากสมัยที่บวชใหม่ๆท่านเจเริญสมถธกรรมฐานโดยการกําหนดพุดโทโธเป็นองค์บริกรรมปฏิบัติสมถธกรรมฐานอยู่หลายปีจนได้อภินญาแต่ก็เป็นโลกียะ อภิญญาซึ่งเมื่อมีได้ก็เสื่อมได้ไม่แน่นอนและไม่นําไปสู่ความหลุดพ้นท่านได้ทุดงไปในป่าดงพญาเย็นเพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะแนะนําเรื่องการปฏิบัติได้ป่าดงพญาเย็นนี้แต่เดิมมีชื่อว่าป่าดงพญาไฟครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า แห่งกรกุงรัตนโกสินทร์พระองค์ก็ทรงเปลี่ยนมาเป็นดงพญาเยน็นเพื่อให้ฟังดูภัเราะและไม่น่ากลัวเหมือนชื่อเดิมที่ป่าดงพญาเยน็นท่านพระครูเจริญได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่จากพระในป่าและท่านก็ได้พบว่าไม่มีทางสายใดที่จะประเสริฐเท่ากับทางสายนี้อีกแล้วท่านเพิ่งจะเข้าใจทราบซึ้ง ในพุทธวจนะที่เคยอ่านพบในพระไตรปิฎกความว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของลาวสัตว์เพื่อข้ามพ้นความโศกและปริเทวะเพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรุโลกุตระมักเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนี้คือสติปัฏฐานสี่ นับเป็นโชคอันดีเป็นลาภอันประเสริฐของท่านพระครูที่ได้ไปพบกัญญาณมิตรด้วยพระในป่ารูปนั้นท่านประกอบได้กัญญาณมิตรธรรมเจ็ประการครบบริบูรณ์คือน่ารักน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักว่ารู้จักพูดยอมให้พูดยอมให้ว่าถแถลงเรื่องลึกซึ้งได้และไม่ชักนําในเรื่องที่ไม่ควร เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานอยู่กับพระในป่าเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มการดำเนินมันคาที่ถูกต้องหนึ่งการพบกัลยาณมิตรหนึ่งความไม่ย่อหย่อนในการประกอบความเพียรหนึ่งและบุญบา ร, รมีที่ได้สะสมมาแล้วแต่ชาติปางก่อนหนึ่งองค์ประกอบทั้งสีประการ น, นี้เป็นเหตุปัใจจัยให้การปฏิบัติของท่านก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กระทั่งได้บรรลุโลกุตรัธรรมในที่สุดนับแต่บัดนั้นจนบัดนี้ท่านได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงและได้ตระหนักชัดแล้วว่านัตถิสันติบาลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาปรารถนาจะให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายได้เข้าสู่ภาวะอันประเสริฐบริสุทธิ์นั้นบ้าง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 ของชนเป็นอันมากเพราะเป็นที่สับปะยะคือความสะดวกสี่ประการได้แก่เสนาสนะสับปะยะมีที่พักอาศัยสะดวกอาหารสับปายะมีอาหารบริโภคสะดวกปุคลาสับปะยะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องทําให้สบายใจและทําสับปะยะ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 ฉันยังไม่ได้สอนเธอนี่นาก็กำลังจะสอนอยู่นี่ไงพระอุปชาทวงสอนครับก็หลวงพ่อเคยสอนให้ผมเชื่อฟังท่านมหาท่านมหาก็สอนว่าให้เชื่อฟังหลวงพ่อพระใหม่ขยายความอ๋อแต่ที่ฉันถามนั้นหมายถึงการปฏิบัติกรรมฐานตั้งหากละ่ะพระมหาบุญท่านสอนการเดินจงกรม การนั่งสมาธิให้บ้างหรือยังผู้อาวุโสกว่าเริ่มจะรู้สึกถึงความซื่อที่มีระดับใกล้เคียงกับเซอร์ของพระผู้เป็นลูกศิษย์ยังครับคราวนี้พระบูียลตอบแข็งขันถ้าเช่นนั้นก็เริ่มต้นเลยเอาล่ะยืนขึ้นฉันจะสอนเดินจงกรมระยะที่หนึ่งให้แล้วท่านก็ลุกขึ้นผู้บวชใหม่ลุกตาม และตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้ดีที่สุดเพราะศรัทธาประสาธะ ท, ที่มีต่อท่านพระครูนั้นเป็นเสมือนโอสถขนานเอกที่จะทำให้ตนหายจากโรคได้การเดินจงกรมมีทั้งหมดหกระยะระยะที่หนึ่ง มีหนึ่งหนอระยะที่สองก็มีสองหนอแล้วก็เพิ่มขึ้นระยะละหนึ่งหนอไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่หกก็มีหกหนอผู้เป็นอุปชาอธิบายหนอแปลว่าอะไรครับหลวงพ่อถามอย่างใค ร, ร่รู้หากในใจนั้นคิดเล่นๆว่าหนอหนอแน่แนอะไรกันวิหลวงพ่อนี่พิกลจริงๆ ถ้าจะเอาคำแปลกันจริงๆมันก็ไม่มีเพราะมันเป็นคำอุทานเหมือนเวลาเราพูดว่าสุขจริงหนอดีจริงหนออะไรพวกนี้แต่ในการปฏิบัติคำนั้นเราเอาหนอมาใช้เป็นองค์บริกรรมเช่นขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอะนอในที่นี้แปลว่ากำลังหรือจะแปลว่ารู้ก็ได้เหมือนกัน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 ก็เคยถามแบบเดียวกันนี้มานักต่อนักแล้วเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อสอนผมเดินทั้งหกระยะได้เลยไหมครับวันหลังจะได้ไม่ต้องมารบกวนหลวงพ่อพระหมายพูดด้วยความเกรงใจไม่ได้หรอก ต้องเดินวันละหนึ่งระยะแล้วจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอย่าใจร้อนปฏิบัติทมต้องใจเย็นๆจึงจะได้ผลเอาละฉันจะเดินระยะที่หนึ่งให้ดูลำดับแรกยืนตัวตรงเอามือควายหลังนี่อย่างนี้พระบูเหียวทำตามหักมือที่ควายนั้นเอามือซ้ายทับมือขวา และแขนห้อยลงแบบสบายๆทำอย่างนั้นไม่ได้นี่ต้องเอามือขวาจับมือซ้ายแล้วยกมือที่ไขว้ขึ้นมาไว้บริเวณกระเบนหนึบไม่ใช่ห้อยตามสบายแบบนั้นท่านจับมือทั้งสองของพระใหม่และจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเอาละ่ะเสร็จแล้วกำหนดยืนหนอห้าครั้ง หายใจยาวๆเอาสติไว้ที่ศีรษะพอบอกยืนค่อยๆดึงสติลงมาชัดๆพอถึงคำว่าหนอสติก็มาอยู่ที่เท้าพอดีแล้วจึงดึงขึ้นด้วยวิธีเดียวกันเพราะฉะนั้นยืนหนอห้าครั้งเราก็จะดึงสติลงขึ้นลงขึ้นลงลองทำซิ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 ตาจะปัญจกะกรรมฐานมีอะไรบ้างเกษาโลมานักขาทันตาตจโจครับพระบรัวเหียว่าเร็วหรือเพราะเป็นคนจำแม่นแปลด้วยเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตจโจหนังครับดีมากนี่แหละการให้ยืนหนอห้าครั้งก็เพื่อจะได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง แต่บางสำนักเขาก็ให้ยืนหนอสามครั้งโดยดึงสติขึ้นลงเฉยเฉยอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะถนัดอย่างไรเพราะถึงจะปฏิบัติแตกต่างกันออกไปบ้างแต่ก็มีจุดหมายอันเดียวกันคือความหลุดพ้นจากทุกข์เอาละเมื่อยืนหนอห้าครั้งแล้วก็เริ่มเดินไหนบอกมาก่อนสิว่าตอนนี้สติอยู่ที่ไหนที่เท้าครับ ดีมากเอาละ่ะที่นี้ก็ย้ายสติมาไว้ที่เท้าขวาเพราะเราจะก้าวเท้าขวาก่อนนี่ก้าวที่หนึ่งบริกรรมว่าอย่างนี้ขวาย่างหนอต้องก้าวช้าๆแล้วก็การบริกรรมก็จะต้องให้ทันปัจจุบันด้วยนี่เห็นไหมเดินหนึ่งก้าวก็หนึ่งเนาเอาละ่ะที่นี้จะก้าวเท้าซ้าย ก็ย้ายสติมาไว้ที่เท้าซ้ายบริกรรมซ้ายย่างหนอพร้อมกับก้าวไปด้วยท่านลองเดินให้ดูสี่ห้าก้าแล้วจึงให้พระใหม่ลองทำดูบ้างพระบูเหวก็เดินอย่างรวดเร็วหยุดก่อนหยุดก่อนเดินเร็วอย่างนั้นไม่ได้ต้องเดินช้าๆเหมือนอย่างที่ชั้นเดินให้ดูนั่นไง ทำไมต้องเดินช้าๆด้วยล่ะครับหลวงพ่อถามเพราะไม่เข้าใจที่ต้องเดินช้าๆก็เพื่อจะได้เห็นสัจธรรมเดินเร็วอิรยาบทไปบางสัจธรรมหมดรู้หรือยังสัจธรรมคืออะไรครับคนช่างสงสัยถามอีกถ้าอยากรู้ก็ต้องเร่งทําความเพียรหมั่นเดินจงกรมนั่งสมาธิ ฝึกสติให้มากๆสติดีเมื่อไรก็จะรู้เองงั้นก็แปลว่าตอนนี้ผมสติไม่ดีนะสิเปล่านะครับหลวงพ่อผมไม่ได้บ้า น, นะครับพระใหม่ร้อนตัวด้วยเข้าใจความหมายไม่ตรงกับผู้พูดฉันไม่ได้หมายความว่าเธอบ้านี่นาจําจไว้นะเมื่อเธอจะไปสอนคนอื่นต่อไปในวันข้างหน้าคนบ้าอย่าเอามาเข้ากรรมาฐานเด็ดขาด บางคนไม่เข้าใจคิดว่าเอาคนบ้ามาเข้ากรรมฐานจะทำให้หายได้ไม่จริงเลยมีแต่จะทำให้บ้าห น, นักขึ้นก็อย่างเมื่อเดือนที่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลายัยแต่สติไม่ค่อยดีญาติก็เลยพามาเข้ากรรมฐานฉันก็ไม่รู้เพราะว่าพระมหาบุญท่านเป็นคนสอนแม้พอเดินจงกรมได้สามวันก็ออกฤกิธ ลุกขึ้นรำป้อใครห้ามก็ไม่ฟังคนเขามาตามฉันไปดูฉันก็เลยให้ญาติพาส่งปากครองสารแล้วเขาก็ยอมไปแต่โดยดีเหรอครับอ้าวถ้ายอมก็ไม่ใช่คนบ้าสิแล้วทำยังไงถึงไปได้ล่ะครับพระมหาบุญท่านใช้อุบายใหญ้ญาติหลอกว่าสำนักนี้สอนไม่ดีรำไม่สวยสู่สำนักโน้นไม่ได้ เขาก็ตอนขึ้นรถบอกว่าจะพาไปสํานักโ น, น, น้นก็เลยพาไปได้ทําไมคนบ้าถึงปฏิบัติไม่ได้ล่ะครับพระใหม่ถามอีกเอาละ่ะฉันจะยังไม่ตอบเธอให้เธอรู้เอาเองเมื่อได้ปฏิบัติถึงระดับหนึ่งแล้วอยากเตือนสักนิดว่าความลังเลสงสัยจนเกินขอบเขตก็ทําให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเก็บความสงสัยไว้ก่อนปฏิบัติมากมากเข้าก็จะหายสงสัยไปเองผู้เป็นอุปชาแนะแนวครับหลวงพ่อ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 กลับเป็นแล้วพรุ่งนี้ฉันจะสอนการนั่งให้สำหรับวันนี้เดี๋ยวเธอกลับไปเดินจงกรมต่อที่กุฏิของเธอก็ได้ให้ได้หนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ให้นอนหงายเอามือขวาวางบนท้องสังเกตอาการพองยุบของท้องเมื่อท้องพองให้บริกรรมว่าพองหนอเมื่อยุบก็ให้บริกรรว่า ยุบหนอไปจนกว่าจะหลับพยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือว่าตอนยุบเอาละกลับไปได้แล้วผมต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาสอนให้พูดพร้อมกับก้มลงกราบเด่นจางขประดิษฐ์สามครั้งและจึงค่อยๆคลานถอยหลังออกมาคลันถึงประตูจึงหันหลังกลับ